เย็นวันโกนยายก็จัดเตรียมข้าวของตลอดจนผ้าผ่อนท่อนสบายไว้เสร็จเรียบร้อยไม่ลืมที่จะสั่งหลานชายว่าไอ้หนูไปขุดดินมาสามก้อนเตรียมเอาไว้วันนี้เอาสามก้อนเหรือครับยายทุกทีเห็นเอาไปก้อนเดียวคนอื่นเขาไม่เห็นหาดินไปวัดกันเลยมีบ้านเราบ้านเดียวนี่แหละผมนะ่ะ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 ยายไม่ชอบเอาอย่างใครถ้าสิ่งที่ยายทำนั้นดีและได้บุญถึงคนอื่นเขาไม่ทำยายก็จะทำยายถือความถูกต้องเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเสียงข้างมาแล้วการหาบดินไปวัดมันถูกต้องยังไงล่ะยาย ก็เป็นการใช้หนีสงไงละ่ะเราไปวัดเหยียบดินติดเท้าหมาเป็นบาปจึงต้องใช้หนีสงการเป็นหนีสงก็เป็นบาปเป็นกรรมนะยายอธิบายบาปยังไงเหยียบแค่นิดเดียวหลานชายยังคงเผียงแต่หลายครั้งหลายหนเข่า มันก่อทำให้มากแล้วใจว่าจะมีแต่เราไปวัดเมื่อไรคนอื่นๆเข้าไปกันต่างเยอะต่างแยะก็พากันเหยียบดินติดเท้ากลับไปบ้านดินวัดก็จะปรองก็ให้พระถมเอาเองสิท่านอยู่ว่างๆไม่ได้ทำงานทำการอะไรกินแล้วก็นอน คนเกลียดพระว่าไอ้หนูเอ็งหาเรื่องให้บาปกินหัวอีกแล้วเรื่องอะไรไปว่าพระสงฆ์องค์เจ้ายายพรามก็หรือไม่จริงละยายพวกพระเนี่ยเอาเปรียบชาวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้แกยายห้ามเสียงดุนานทีปีหนหรอก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 แต่แล้วในที่สุดยายก็ปรารกขึ้นว่าไอ้หนูเอ้ยหมูนี่โจรผู้ร้ายมันชุกชุงเข้าปล้นกันที่ตำบลบางปทุนโนนตีชิงวิ่งราวกันไม่เว้นแต่ละวันก็โมวยวัวควายกันก่อมาเราจะเอาเงินทองไปสอนไว้ที่ไหนดีไม่รู้สิยาย ผมไม่มีเงินไม่มีทองจะซ่อนหลานชายพูดแบบงอนๆงนแต่ยายมีถึงเองจะไม่มีแต่ของยายมียายเน้นตรงคำว่ามีออกนึกเหมัอนไส้ที่หลานชายทำเป็นไม่รู้มีก็เรื่องของยายไม่ใช่เรื่องของผมหนุ่มน้อยอยากให้ยายพูดว่าของยายก็เหมือนของเอง เพราะยายเก็บไว้ให้เองหากยายก็ไม่พูดเขาอยากได้สมบัติของยายแต่ก็นั่นแหละยายมีลูกถึงเจ็ดคนพวกป้าปาลุงๆหรือจะยอมให้เขาครอบครองแต่เพียงผู้เดียวเรื่องเงินทองทรัพย์สมบัติไม่เข้าใครออกใครพี่น้องคลานตามกันมายังฆ่ากันตายเพราะแย่งสมบัติกันในเมื่อเองคิดอย่างนั้นก็ดีแล้ว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 ไม่ห่วงแล้วมาถามผมทำไมว่าจะเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนดีคนไม่ห่วงไม่ห่วงสมบัติเขาไม่คิดที่จะเอามันไปซ่อนหรอกยายโจรมันจะเอาก็ให้มันเอาไปจริงไ้ยล่ะคนเป็นหลานยังคงประชดประชันที่เองพูดอย่างนั้นเพราะยังไม่เข้าใจที่ยายพูดนะไอ้หนูไม่เข้าใจมากมากเสียด้วยยายพูดอย่างรู้สึกอ่อนใจ แต่เอาเถอะยายจะพยายามอธิบายให้เองฟังถ้าเองพอจะมีสติปัญญาอยู่บ้างก็คงเข้าใจคืออย่างนี้นะที่ว่าไม่หวงไม่หวงสมบัตินั้นหมายความว่ายายจะไม่เอาจิตไปผูกไว้กับมันเพราะถ้าทำอย่างนั้นจะต้องตายไปเป็นเปรต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 จึงอยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลานถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็จะเอาไปทําบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ยายแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเอาไปเล่นไปกินเสีหมดมันก่อเรื่องของเขายายให้เขาแล้วก็แล้วไม่ติดใจจะเอาคืนไม่ว่าเขาจะไปทําอะไร แต่ลูกหลานยายมีตั้งเยอะจะพอแจกกันหรือครับคราวนี้คนถามอารมณ์ดีขึ้นโดยคิดว่าถึงอย่างไรก็ต้องได้รับส่วนแบ่งเพราะตัวเขาเป็นทั้งลูกและหลานของยายยายไม่ให้หมดทุกคนหรอกพูดก่อพูดเถอะนะทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในเวลานี้ส่วนหนึ่งก็ได้มาจาก น้ำพักน้ำแรงของเองส่วนที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของยายนั้นก็แบ่งให้ลูกๆเข้าไปแล้วตอนที่พวกเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วเขาก็มีฐานะดีกันทุกคนยายจึงคิดว่าจะไม่แบ่งให้เขาอีกคำพูดของยายทำให้คนที่กำลังทาหน้าที่นวด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 จะรับปากกับยายได้ไหมยายจะขอร้องอะไรผมครับจะขอแบ่งให้นังเหรียญมันบากยายพูดแบบเกรงใจให้ป้าเหรียญทำไมครับยายก็รู้ว่าป้าเหรียญแกไม่ใช่คนดีกินเหล้าเมาหัวราน้ำออกอย่างนั้นอีกอย่างนึงยายก็แบ่งให้แกไปแล้วตอนออกเรือนก็เพราะมันไม่ดีนะสิยายถึงต้องห่วงมัน ลูกทั้งท้องยายก็ห่วงอยู่คนเดียวนี่แหละส่วนคนที่ดีๆยายก็หมดห่วงเรื่องอะไรยายจะต้องไปห่วงคนไม่ดีละ่ะถ้าผมเป็นยายผมจะตัดขาดจากป้าเรียนเลยเลือดก้อนหนึ่งนึกว่าโยนให้หมามันกินไปยายตัดป้าเรียนเถอะนะครับหนุ่มน้อยแนะนําหากยายทําตามย่อมหมายความว่า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 เิเป็นคนจึงควรสะสมความดีไม่ใช่ไปสะสมของนอกกายยายที่ยายพูดมานั้นผมก็เห็นด้วยแต่ก็ไม่เห็นด้วยทั้งหมดหรอกนะครับจริงอยู่เมื่อเราตายเราเอาสมบัติไปด้วยไม่ได้แต่ตอนที่ยังไม่ตายนี่สิครับเราต้องกินต้องใช้ถ้าไม่สะสมเอาไว้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมากินมาใช้ ฟังเหตุผลของหลานแล้วยาญ่ก็เถียงไม่ออกจึงไม่เถียงตกลงยหย่จะฝังสมบัติไว้ใต้ทุนบ้านกรุงนี้หลังจากยายกลับจากวัดเราไปช่วยกันขุดหลุมเข่าสองหลุมพอคํคๆกะว่าคนเขาเข่าบ้านเขาเรือนกันแล้วเราค่อยเอาลงไปฝัง ผมว่าเอาไปฝังตอนดึกๆดีกว่ารอให้ชาวบ้านเขาหลับนอนกันแล้วจะได้ไม่มีใครสงสัยว่าเราไปทำอะไรที่ใต้ทุนบ้านเออกาเก่เาทีดีเหมือนกันเป็นอันว่าเราจะฝังไว้ใต้ทุนบ้านพรุ่งนี้เช้าเองช่วยไปซื้อไหอยขนาดใหญ่มาสองลูกยายจะเอาใส่เงินลูกหนึ่ง ใส่ทองลูกหนึ่งหนุ่มน้อยทําตาลุกเมื่อได้ยินยายพูดยายมีเป็นหายหายเชิวหรือครับอาจจะเกินด้วยซ้ำแต่เอาเธอฝังไว้สองหายก่อพอที่เหลือเอาเก็บไว้บนบานตามเดิมเกิดขโมยขจนมาปล้นจะได้แบง่งแบ่งให้ให้มันไปบ้างโอ้โห ใจดีขนาดนั้นเชียวหรือยายไม่ใช่ใจดีหรอกไอ้หนูยายรักษาศักดิ์สิต่างหากยายพูดมีเล่ในผมไม่เข้าใจก็หมายความว่าถ้าเกิดมันไม่ได้อะไรไปเลยเราก็เสียศักดิ์ศรีคพรอดโจนมันจะเอาไปพูดได้ว่าบ้านยายจาง ไม่มีสมบัติอะไรเลยเสียแรงมาปล้นใช่จะรักศักดิ์ศรีแต่ยายเมื่อไหร่หลานชายก็เช่นกันเขารีบสนับสนุนว่าจริงของยายแม้ผมชักอยากเป็นโจรซะแล้วสิจะได้ปล้นบ้านใาญ่จ่างเป็นรายแรกไม่ต้องลงทุนถึงขนาดนั้นหรอกหลานเอ้ยถึงไม่ปล้นสมบัติเหล่านี้ มันก็ต้องตกเป็นของเองอยู่แล้วยายพูดอย่างนึกมันไสคนเป็นหลานแต่ผมไม่อยากแบ่งให้ป้าเรียนนี่นะหนุ่มน้อยเผลอบอกความในใจไอ้หนูยายเสียใจเหลือกเกินเสียใจที่มีหลานจิตอกุศลขับแคบเห็นแก่ตัวอย่างเอง น่งเหรียนมันเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่เองเป็นลูกของยายทำไมเอ็งไปอิจฉามันเพราะเรื่องสมบัติแค่นี้ยายรู้นะว่าเอ็งจงเกลียดจงช่งมันเพราะอะไรเพราะแกเป็นคนไม่ดีกินเหล้าเมาหัวราน้ำพูดเสียงห้วน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 แต่ผมก็ไม่เคยกินเหล้าไม่เคยเมาหัวราน้ำอย่างป้าเรียนคราวนี้หลานชายเถียงเสียงอ่อยแต่นังเหรียนมันก็ไม่ได้ไปยิงนกตกปลาตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กเหมือนเองอย่านึกนะว่ายายไม่รู้ว่าเองไปทำอะไรมาบ้างแต่เจ๊กบกแกพึ่งมาฟ้องว่าเองชอบ แกลงแก็โมยหมูของแกเป็นกิโลกิโ ล, โลคราวนี้คนฟังทำตาปริบๆนึกถึงเพลงที่เข้าแต่งขึ้นล้อเรียนแกเจ็กบกตกน้ำตายเมียร้องไห้เสียดายเจ็กบกแต่แกก็ไม่ว่าอะไรยายยายหลับเถอะผมจักง่วงแล้วยิ่งพูดก็ยิ่งเสียเปรียบจึงบอกให้ยายรีบรีบหลับไปเสีย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 ประมาณสองยามทั้งยายและหลานต่างก็สะดุง้งเพราะได้ยินเสียงคนตะโกนวกเวกอยู่หน้าบ้านแข่งกับเสียงเห่ากันโชคของนางด่างกับนางดำคนเป็นหลานนอนเงี่ยหูฟังว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนคนเป็นยายลุกขึ้นเดินย่องเข้าไปในห้องหลานกระซิบถามว่าไอ้หนูเองได้ยินเสียงอะไรไหม คลยๆมีคนมาเรียกที่นาบ้านผมก็กำลังฟังอยู่นี่ว่าเป็นเสียงใครทำไมมาเรียกข้ามือตึตื่นย่างงี้ยายว่าผมออกไปตะโกนถามเขาที่นอกชาดีไม่ยายไม่ดีไอ้หนูอย่าไปเป็นอันขาดเกิดเสือสางมันตั้งใจมาปล้นเอ็งออกไปยืนอย่างนั้นก็เท่ากับเป็นเป่ากระสุนในมันจำไวเ้เชียวนะหลานใครมาเรียกกลางค่ากลางคืน อย่าออกไปให้เขาเห็นตัวยายบอกกลยุทธ์แม้จะไม่เคยออกศึกหากยายก็รู้ทีหนีทีไล่แล้วทำยังไงล่ะยายถึงจะรู้ว่าใครมาหามาทำไมหลานชายถามก็แอบดูสิแอบดูแล้วก็เงี่ยหูฟังว่าเสียงมาจากทางไหนลูกขึ้น แล้วไปแอบดูตรงฝาบานที่ติดกับชานเรือนดูว่ามีใครมาเรียกยายกับหลานพากันย่องไปยังที่หมายตรงฝามีรูเล็กๆที่เป็นตาไม้ยอยู่หนึ่งรูยายจึงบอกให้หลานแอบดูตรงนั้นแสงนวลของพระจันทร์วันขึ้นสิบสี่ําททำให้หนุ่มน้อยมองเห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งยืนเรียกอยู่หน้าประตูรัว้วคนหนึ่งถือคบใต้ สองทางด้วยแสงจากดวงจันทร์คงไม่สว่างพอประจางครับตื่นหรือยังผมผู้ใหญ่ปโปรงมาเรียกคนถือคบใต้ตะโกนหนุ่มน้อยจำได้แม่นมั่นด้วยแสงจันทร์และแสงใต้ทำให้เห็นหน้าบุรุษนั้นชัดเจนยายผู้ใหญ่ปโปรงนะ่ะถ้าทางจะมีธุระสำคัญเขาพากันมาตั้งห้าหกคนแนะ่เองเห็นชัดหรือ ใช่ผู้ใหญ่โปรงแน่นะ่ะยายยังไม่วางใจแน่สิยายไม่เชื่อยายลองแอบดูตรงรูนี่สิดูสิครับเขาขยับออกมาเพื่อให้ยายแอบดูบ้างไหมต้องหอกหูตาฝ่าฝางอย่างนี้ถึงดูก็เห็นไม่ชัดเอาเถอะเมื่อเองแน่ใจว่าใช่ก็คงใช่ รีบไปจุดตะเกียงเข้ายายจะออกไปถามว่าเขาหมามีธุระอะไรว่าแล้วยายก็เปิดประตูออกไปยืนที่นอกชานปรางตะโกนถามูุยไอหรือมีธุระอะไรคำคำมืดมืดล่ะรอเดี๋ยวนะจะให้หลานไปเปิดประตูให้ไม่ต้องก็ได้ป้าผมจะมาขอแรงเจ้าแกละมันไปช่วยตามควายหน่อย ไอ้ขํากับไอ้คูนควายตะด้วงถูกขโมยมันลักเอาไปเสียงผู้ใหญ่ปโปรงตะโกนตอบมาอย่างงั้นหรอกหรือข้าจะให้เขาไปเดี๋ยวนี้แหละพอดีกับหลานชายถือตะเกียงเดินเข้ามายายจึงบอกว่าเอ็งรีบไปใส่เสือ้อใส่แสงให้ระเยิบร้อยเล้วกไปช่วยเขาตามควายหน่อยผู้ใหญ่ปโปรงบอกว่า ควายแต่ดวงถูกขโมยลักไปไอค้ำกับไอคูนหรือยายแล้วจะได้คืนไหมเนี่ยหนุ่มน้อยรู้สึกวิตกแทนเจ้าของควายจะว่าไปแล้วเขาก็คุ้นเคยกับไอคำ้ำไอคูนเป็นอย่างดีด้วยเคยขี่มันเล่นบ่อยๆในความคิดของเขาไอค้ำกับไอคูนเป็นควายหนุ่มที่หล่อที่สุดในตําบลบางม่วงหมู่หากมีการประกวดประคันควาย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 เขาถามผู้ใหญ่ปโปรง่งก็แยกย้ายกันไปตามทั้งสี่ทิศนั่นแหละก่อนมาตามเองข้าส่งไปทิศเหนือกับทิศ ต, ตะวันตกแล้วที่เหลือนี่แยกกันไปทิศใต้กับทิศ ต, ตะวันออกทิศละห้าคนยังขาดอีกสองคนประเดี๋ยวจะไปขอแรงบ้านอื่นต่อไปกันเถอะแล้วคนทั้ง8จึงพากันเดินต่อไปแต่ละคนถืออาวุธประจําตัวเช่นปืนดาบหอกและบางคนก็ถือไม้คมแฝก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 ให้มันได้กลับมาอยู่กับเจ้าของของมันมิฉะนั้นมันจะถูกนําไปขายยังโรงฆ่าสัตว์และจะต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสงสารเช่นเดียวกับบัวควายทั้งหลายจากนั้นยายจึงเข้าห้องไปนอนและหลับอย่างง่ายดายด้วยเชื่อว่าคาถาชนะมารที่ยายสวดจะมีอนุภาพทําให้ทุกคนปลอดภัยรวมทั้งเจ้าคํากับเจ้าคูนด้วย เวลาตีสี่ยายลุกขึ้นหุงข้าวหลานชายก็กลับมาพอดีได้ไหมไอ้หนูยายถามทั้งที่แน่ใจว่าต้องได้ได้แต่ควายขโมยไม่ได้หรอกยายมันหนีไปซะก่อนผมเลยไม่ได้ออกกำลังซิดดียด้ไม่งั้นจะซ้อมให้นอนหยอดเข้าต้มเลยเชียวจะซ้อมเขาหรือจะถูกเขาซ้อมก่อใหม่รู้ ผอมๆ อ, อย่างนี้ยังมาทำคุยยายพูดขัดคอผมก็ไหวงั้นแหละแหมง่วงจังยายผมขอเงียบหน่อยนะครับหกโมงยายช่วยปลุกด้วยหนุ่มน้อยขออนุญาตตามใจเองก็แล้วกันยายตอบวันพระที่ไม่มีเทศมหาชาติยายจะออกจากบ้านหกโมงเส็ษ ยกเว้นวันที่มีเทศมหาชาติจึงจะออกตั้งแต่ตีสีก่กว่าๆเพื่อจะไปให้ทันฟังสวดคาถาพัน